ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิจัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสุภาษิตของประสาธิบุตรเทระก็มา ถ, ถึงข้อที่หนึ่งัสท่านกล่าวว่าสมาธิของภิกษุผู้ชอบอยู่ด้วยความไม่ประมาท ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยเหตุสองประการคือได้มีผู้สักการะและไม่มีผู้สักการะเป็นการพูดถึงสภาพจิตระดับสมาธิหมายความว่าท่านที่เข้าถึงสมาธิจริงๆแล้วก็จิตอยู่ในสมาธิก็จะไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่มากระทบ ก็เ น, นื่องจากคาถาที่เทวเทราทัดกล่าวนะเป็นฉันทลักษ์คือต้องการเสียงสูงเสียงต่ำเรียกว่าครุลาหุที่คระสะคือยาวหรือสั้นผู้มีสัการะนั้นหมายรวมถึงสันเสริญสุขด้วยกรอราบยศสันเสริญสุข แล้วก็ไม่มีผู้ผสักการะก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศถุกนินทาประสบความทุกข์ตามปกติแล้วจิตใจของคนก็จะหวั่นไหวไปในสองเรื่องเนี้พระเจ้ทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรว่าคือโลกธรรมทั้งแปดประการนีเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมครอบงำชาวโลกได้ทั่วทั่วไป ทั้งพระริยบุคคลแล้วก็ทั้งสามัญชนเพียงแต่ว่ามันเกิดกับพระริาบุคคลนั้นมันก็เกิดไม่ใช่ไม่เกิดหรือเกิดทั้งสองด้านนั่นแหละอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนเสด็จเมืองเวรัญชาเวรัญชพรามได้กราบทูลรัตนาให้ พักจำบรรษาที่เมืองเวรัญชาโดยจะรับผิดชอบเรื่องความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งห้าร้อแต่ว่าประชาชนถูกมานดนใจเวรัญชพรามเองก็ลืมก็ไม่มีใครดูแลเอาใจใส่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ พอดีมีพ่อค้ามาจากต่างเมืองก็ยกขบวนมาที่จะนำไปขายมาแวะพักที่เมืองเวรัญชาทีหลังหลังจากมาได้โดนใจประชาชนในเมืองเวรัญชาไปแล้วก็ทำให้ท่านเหล่านั้นไม่ถูกโดนใจ ก็ทราบความลำบากยากไร้ของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์แต่ว่าเขาก็ไม่มีอะไรมากพระเกณฑ์เป็นกองพ่อ้าของม้าต่านเด็กมีที่เป็นอาหารก็คือข้าวแดงที่สมคะให้เป็นอาหารม้าก็าข้าวแดง มาถาวายพระรู ป, ประแท่งรูปก็เป็นเป็นพระชนะใสนะฮะรู ป, ประแะเเ่งก็เรียกกันแร่งขนาดไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันก็นกทุกทุกวันทีนี้ข้าวแดงในลักษณะ น, นั้นมันเป็นข้าวดิบนะฮะคือยังไม่ได้ตำไม่ยไม่ได้ตากอะไรถ้าเพื่อจะอยู่ให้ได้ก็ต้องเอาอมาตำ เอามาหุงต้มก็ฉันประทังชีวิตกันไปแล้วก็นำมาถวายพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นพทธเจ้าก็ประสงค์ท่าห้าร้อยก็อยู่ในสถานที่นั้นตลอดสามเดือนเราก็ถือว่าก็เสือมลาบขนาดใหญ่ตรมานอยู่ได้สามเดือน ก็เลยเขตที่เวรัญญผรามถูกมารสิงใจเวรัญญผรามนึกได้ว่าตัวเองปรานาพระพุทธเจ้าไว้ก็มาเพื่อจะถวายอาหารแต่ว่าเวลามังก็เลยไปแล้วก็ในที่สุดก็จัดอาหารจัดเตรียมอย่างดี ก็เลี้ยงดูพระพุธพทธเจ้าและพระสงฆ์ตลอดแล้วเวลารู้สึกจะเจวันนะครับเลี้ยงดูอย่างดีเลยนี่ก็แสดงว่าเจริญ้วยลาบมากอยู่เจวันแต่ว่าเสื่อมลาบไปสามเดือนพระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็อยู่ได้โดยปกติสุขเมื่อวันไหวไปกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ตอนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาโลกธรรมทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่น่าปรารถนาคือลาบยศดสนเสริญสุขฝ่ายที่ไม่ปรารถนาคือเสื่อมลาบเสื่อมยดนินทาทุกข์เกิดขึ้นแก่บุตุชนบุตรชนผู้ไม่ได้สึับธรรมของปริยะไม่ได้ศึกษาธรรมของปริยะไม่ได้มีคุณธรรมของปริยะ ท่านก็ ข, ขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการรู้ความเป็นจริงของสิ่งเดล่านั้นตอนพอได้ส่วนที่เป็นลาบยศสันสนสูงใจท่านกคกฟูแต่ประสบความเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาประสบความทุกข์ท่านใจท่านกคแฟบผลใจก็คูฟูแฟบแฟบกันอยู่อย่างนี้แต่ว่า เวลามันเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลายคือพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยถ้าด้ศึกษาธรรมของพระอริยปฏิบัติธรรมของพระอริยมีคุณธรรมของพระอริยพโลกธรรมทั้งส่วนที่น่าปรารถนาและส่วนที่ไม่น่าปรารถนาคือส่วนที่ต้องฉันข้าวแดงเป็นอาหารมาอยู่สามเดือน กับช่วงที่เวรัญจะพราหมณ์เลี้ยงดูด้วยอาหารอย่างยอดเยี่ยมเจ็ดวันเนี่ยใจท่านก็เฉยๆมันก็สักแต่ว่าอาหารท่านนั่นเองอาหารจะประณีตเลิศเลยยังไงมันก็คืออาหารได้กินพออิ่มแต่นั้นแต่ข้าวแดงมันก็กินพออิ่มเหมือนกันคุณค่าทางอาหารมันก็ไม่ห่างอะไรกันเท่าไหร่ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าปัญญาท่านเกิดขึ้นรู้เท่าทันต่อความจริงว่าบัดนี้โลกธรรมฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาหรือน่าปรารถนาได้เกิด ข, ขึ้นแล้วแกเราแต่ว่าโลกธรรมเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างที่เกิดขึ้นแกพระพุทธเจ้าในชัดเจนมาก คือมาความมาก่อนหน้านั้นก็มีค้าวว่าจะได้รับการทนุบำ ร, รุงอย่างดีแต่รุ่งพิชาก็เหลวแต่ก็ได้ประทังชีวิตด้วยอาหารที่เขาเลี้ยงมาพอเวรันชพรามาอังคาตมาถวายพระตาหารดูเจ็ดวนันก็เรียกว่าเต็มที่แหละ แต่คนเรามันก็กินได้เท่าที่กินไดอ้อันจะมากจย่งไรมนุษย์มันก็แค่กินได้เท่าที่กินได้จิตใจของท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเพราะรู้มาตั้งนานแล้วรู้พวกเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันทีนี้ ในด้านของสมาธิเนี่ยสมาธิของภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็มีเกื่อนไขนะฮะคือไม่ใช่สมาธิของคนธรรมดานั่งสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นสมาธิของคนที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ย ตามปกติก็ส่งจำแนกเอาไว้เป็นสามชุดใหญ่หญแต่มังครอบครองทั้งหมดนั่นแหละคือเราไม่ประมาทในวัยถือว่าวัยของเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีความแข็งแรงอยู่ยังอยู่อีกนานค่อยยกยอดไปทำความดีตอนแก่ดีกว่าคือไม่คิดอย่างนั้น อีโความตายจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อไรอย่างไรที่ไหนโดยวิธีใดก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันเป็นของที่เกิดขึ้นร่้งอยู่ดับไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยในขณะที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยลมหายใจจะดับเมื่อไหรก็ยังไม่รู้ ออามาเคยมีประสบการณ์โดยตัวเองก็เป็นในเรื่องเป็นเรื่องแปลกนะแต่เราก็ถือว่าเออมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าชีวิตเราในเฉียดตายไปก็อย่างน้อยเนี่ยฮะก็สองสามครั้งมาแล้วแต่ตอนเป็นพระนี่สองครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยขัดห้องน้ำ เราไม่คุ้นกับกลิ่นของน้ำยาขัดท้องน้ำพอขัดไปแล้วก็คันหน้ามืดหมดเลยหายใจขัดหายใจไม่เคยออกโทรศัพท์เรียกโรงพยาบาลหมอตรวจปรากฏว่าน้ำตาลขึ้นไปเกือบห้าร้อยก็รีบรักษากุลีกุจอกันเป็นการใหญ่ก็รอดมาได้ แต่คราวหนึ่งเป็นเรื่องที่มันแปลกหนึ่งก็คือว่าวันเสาร์ขึ้นบรรยายอบรมได้เรียบร้อยรุ่งนเช้า ว, วันอาิตก็ขึ้นเทศได้เรียบร้อยไม่มีอาการอะไรเลยเดินบันไดก็ไม่ต้องเกาะราวบันไดบรรจารไปบรรยายถึงโคราชแล้วกลับมา พอถึงวันอังคารเกิดอาการหายใจไม่ออกทำาดวยวิธีการต่งตางๆหายใจไม่ออกหายใจขัดระครใจจะขาดเกิดสงสัยขึ้นมาก็โทรศัพท์เรียกรถโรงพยาบาลส่งโรงพบส่งเข้ามารับไปไปถึงแพท ย, ย์ใหญ่ฝ่ายโรคหัวใจพอเห็นปับแกตกใจมาก ให้นั่งนิ่งๆเลยเอาเก้าอี้ที่เขาเข็นคนป่วยเนี่ยให้นั่งนิ่งๆเพราะว่าคุณหมอนี่เคยสั่งให้มาโรงพยาบาลบอกว่าถ้าจะคุณเป็นโรคหัวใจแล้วมาก็ไม่ยอมไปหมอก็รักษาเบื้องต้นให้ตอนเย็นก็ไปที่วิชายยุทธ เฉยยุทธเขารู้ข้าว ก, ก็ส่งรถมารับไปอยู่ที่โ น, น้นเขาจะดูแลเองเข้า ICU เลยพอผ่านกระบวนการรักษานี่หมอมากันเยอะ78็คนพอเรียบร้อยปกตินีนหมอใหญ่มาก็สิบบอกว่ายังเหลือ10ในในเกาส หมายความตช้าไปอีกนิดเดียวต่นนี้เราก็ตายก็ไม่ได้ว่าอะไ ร, ราตายก็ตายแต่ว่ามันก็เห็นว่าเออชีวิตเราเนี่ยมันก็เสี่ยงตายอยู่ตลอดจะตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้ตอนาเราประมาทกับชีวิตไม่ได้เราทำยังไงล่ะก็คือบริหารชีวิตให้มันดี แต่เวลาที่ผ่านมาในชีวิตและจะผ่านไปเนี่ยไอ้มันเกิดสาระประโยชน์ให้มากเต็มทามกำลังความสามารถที่เราจะทำได้แหละก็ทำกันเท่าที่ทำได้ความตายมาถึงวันไหนก็คือตายอ่ะก็ว่าว่าอะไรใครไม่ได้ก็แล้วอย่าประมาทในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ รโรคข้างในใจริงเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรถต่มาโรงพยาบาลจุฬาก็ดีโรงพยาบาลวิเชยุทธ์เนี่ยเป็นหลักตัวรู้ใจตั้งหลายครั้งแล้วยังไม่มีใครบอกว่าเป็นโรคหัวใจเลยโรงพยาบาลสงพอเห็นหน้านี่รู้ว่าเราเป็นโรคหัวใจแล้วกินี้ก็แสดงให้เห็นว่า หมอคงเน้นสรวดในเรื่องที่เขาคิดว่ามันเป็นแต่ไม่ได้เน้นสรวจชีวจโดยทั่วไปแต่ว่าวัดคื่นหัวใจนะหลายครั้งสามสี่ครั้งแต่ก็หมอไม่ได้บอกว่าพบโรคหัวใจพอเป็นมันก็เป็นจนต้องถึงทำบัลลูนกันเลยนแสดงว่าโรคเนี่ยเราไม่รู้เลยแลวบางทีหมอเองก็ไม่รู้啊 ว่าเราจะเป็นโรคอะไรแต่ว่าแน่นอนร่างกายของเรานั้นเป็นรังของโรคบาลีทันชายกับมาโรคนคานิทังคือรังของโรคโดยในสุดมันก็ประพังคุณังคือเปื่อยหน้าไปร่างกายก็เป็นที่รวมเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลต่างๆ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ลองสังเกตว่าจะประมาททั้งวัยทั้งชีวิตทั้งความไม่มีโรคอุปตเหตต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกมีเป็นอันมากที่เกิดขึ้นจากความประมาทบางคนไม่ยอมสรวดร่างกายเลยอย่างน้อยปีหนึงไปสรวจเช็คสักครั้งหนึ่งก็ยังดีแต่ว่าก็เป็นธรรมดาของคนก็เป็นอย่างน้น จะตามปกติแล้วก็ไม่อยากเข้าโรงพยาบาลนะได้กินยาเราก็ไม่สบายใจแล้วแต่มันก็จำเป็นจะต้องไปสวดจะน้อยก็เพื่อไม่ประมาทถ้าแน่ใจว่ามีโรคภัยค่าเจ็บเแบบียดเบียนเสียดแทงก็หมอจะรักษาก็รักษาไปแต่เราก็ใช้โอกาสในการทำความดี ก็ทำดีพูดดีคิดดีไว้อะจะทำอย่ายงอื่นมันก็ทำยากและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการละชั่วประพฤติดีมันเป็นภารกิจที่เราจะต้องทำให้ได้จะต้องพยายามเอาชนะความชั่วที่อย่างน้อยหยบาบๆยาบบาปหนาๆ น, นาให้ได้ ผลก็จะส่งสอนในเรื่องสุจริตสามอีกละคือไม่ประมาทในการละทุจริตทางกายทางวาจาทางใจสมข้อนะแล้วในการประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจคืออย่าถือว่าบาปเป็นเรื่องเล็กน้อยและจะไม่ให้ผลพรในแง่ของความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของการสะสม บาปที่เราสะสมไว้ไบ่อยๆในจิต ก, ก, ก็จะเต็มด้วยบาปเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าอาสวะด้วยการเก็บการสะสมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้แต่ทีนี้ถ้าเราเก็บสะสมบุญสะสมไม่ได้มากๆเขาก็เรียกว่าบารมีเก็บสะสมความดีเอาไว้ก็จากน้อยไปหามาก แล้วปริมาณของความดีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำหน้าที่ช่วยลดความชั่วยเราด้วยก็แสดงว่าเพิ่มดีลดชัว่วถ้าลดชั่วก็เพิ่มดีก็ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเกละชั่วก็เพิ่มความดีเพิ่มความดีก็คือละชั่วด้วย ทีนี้ทุจริตทางกายทางวาจาทุจริตทางกายก็คือการประทุษร้ายต่อชีวิตของบุคคลอื่นในรูปแบบต่างๆให้เจ็บให้ปวดให้พิกลพิการให้มีบาดมีแผลหกลม้มถลอกอกเปิกอะไรก็ตามมาทั้งหมดอ่ะก็ถือว่าเบียดเบียนทางร่างกายจะเล็กจะน้อยก็งดเว้น ไม่ไปประพฤติไม่ไปกระทำแล้วก็ในส่วนของความดีก็คือสำรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอื่นไม่ร่วงแล้เมิดสิทธิในชีวิตของเขาจะมากหรือน้อยก็ไม่ร่วงแล้เมืดกันไรกัน จะทำให้เจ็บให้ปวดให้ทรมานให้ทรกรรมให้เหนื่อยยากลำบากใช้แรงงานคนจนเกินเหตุเกินผลไปก็เป็นบาป ก, ก็สำรวมระวังจนใจไปอยู่ที่เมตตาเมตตาต่อคนต่อสัตว์นี่ก็ชื่อว่าไม่ประมาท ทีนี้ในเรื่องทรัพย์สินของบุคคลอื่นก็เหมือนกันเขาคือสำรวจระหวังไม่ไปแล้วเมื่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นทั้งเคลื่อนที่ได้ทั้งเคลื่อนที่ไม่ได้อะไรก็ตามอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องแปลกแปลกประจริงนะฮะคือคนเราไม่เคยคิดถึงความตาย แก่เท่าจะตายแล้วยังกอบโกยตักตวงสารพัดร้อยสี่พันอย่างไม่ได้คำหนึ่งถึงหลักกฎหมายหลักสินธรรมอะไรจะเอาไปไหนจะไปไหนไปเดี๋ยวเราตายแล้วเราไปไม่ได้คือในแง่ของความเป็นจริงคนเราไปเผาศพคราวหนึ่งนี่มันควรได้ม น, นุนุสติมาควรได้หลักคิดให้แก่ชีวิตของตัวเอง เพรคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเขาตายให้เราดูแล้วไม่เป็นการบอกกล่าวให้เราทราบว่าฉันตายแล้วนะฉันไม่ได้ อ, อะไรติดไปติดมือไปจากนั้นมาแล้วที่เคยเล่าประวัติของท่านอเล็กซานเดอร์มาราชของกรีกของมาซิโดเนีย คือก็เพิ่งอ่านเจอนะฮะแตเจอรู้สึกชื่นชมทันมากก็เป็นกษัตริย์หนุ่มพระชนษาก็คงจะสามสิบต้นต้นคือก่อนที่จะสวรรคตเนี่ยท่านสวรรคตที่บาบิโลนนะฮะท่านสั่งพินัยกรรมไว้สามขอ้อ ข้อหนึ่งเนี่ยให้หมอที่รักษาท่านเป็นคนหามลงท่านไปไปเผาไปฝังเพื่อจะบอกกล่าวให้คนทั้งหลายทราบว่าเวลาเจ็บคขาได้ป่วยนั้นแม้แต่หมอเองก็รักษาไม่ได้แล้วหมอเองก็จะต้องตายเหมือนกัน ผนกนรอถ้าทลองว่าป่วยแล้วเนี่ยถ้าถึงก็รักษาแล้วมันก็ห้าสิบห้าสิบะไม่รอดก็ตายสองอย่างไม่ตายก็รอดไปรอดก็ตายไม่มีทางที่สามให้เราเลือกในขณะเดียวกันเอาทรัพย์สินเงินทองต่างๆว่าที่จริงก็ร้นมานฮะ บนเส้นทางที่ท่านยาดญัดรากองทัพไปโจมตีบ้านเมืองต่างๆนี้ได้ทรัพย์สินเงินทองเยอะสมัยโบราณก็แก้แหวนเงินทองต่างๆเนี่ยแหุ่งท่านนี่เอาไปปรยแจกให้ประชาชนหยิบช่วยเอาไปตามความพอใจ คือจะบอกก็เห็นว่าฉันรวบรวมสะสมทรัพย์สินเงินทองไว้จำนวนมหาศาลแต่เอาข้อจริงฉันก็ไม่ได้เอาอะไรไปฉันตายอย่างที่คุณคุณเห็นนี่แหละไม่มีอะไรไปเลยแต่ข้อที่สามก็คือให้ตัดพระหัตถ์ของพระองค์ผูแขวนไว้ที่ขอบลงโดยไม่มีอะไรอยู่ในพระหัตถ์เลย เป็นการบอกกล่าวให้ทราบว่าฉันไม่ได้ว่าอะไรไปจริงๆฉันมาฉันกำมือมาแต่ว่าตอนไปเนี่ยฉันก็แ บ, บมือไปเป็นการบอกกล่าวท่านทั้งหลายทราบไว้ว่าฉันไม่ได้ว่าอะไรไปนี่ก็เป็นนิทัศนะอุทาหรณ์สอนใจคนเป็นอย่างดีแล้วก็เท่าที่เคยอ่านประวัติของท่านมาเนี่ยรู้สึกชื่นชมความคิดตรงนี้มาก ก็มีผู้เรียบเรียงลงในหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์รายทวายสามวันมัง้งอ่านแล้วเราก็ชื่นใจเออคนรุ่นหนุ่มขนาดนี้คิดได้ขนาดนี้นี่ก็เก่งมากอันนี้แสดงว่าในขณนะที่มีชีวิตนั้นประมาททำบาปเยอะแต่ว่าก่อนจะ ที่วงโคตรไปเนี่ยไม่ประมาทส่วนคติพกขางท่านเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของกรรมของท่านแต่ว่าสิ่งที่ท่านให้เป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากอันเป็นคติเตือนใจคนได้ทุทกยุคทุกสมัยบันนี้คือความจริงอย่างคำกรนที่แพร่หลายในแวดวงของ าศาสนาเนี่ยมันแพร่หลายมากนำไปกล่าวอ้างกันเยอะแยะ่ใครเป็นคนเขียนเราก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยนีย้แต่พอเห็นแล้วมันซึ้งนะแต่ามาพบสลับกันพบสองบทแรกในทีหลังพบสองบทหลังในทีแรก เราเลยนึกว่าคนละคนกันในปีหนึ่งได้ไปแห่พระรมปส า, าริกธาตุเพื่อไปประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงนี่คุณอาสาเมฆสว ร, ร์นี่ตอนนั้นเขาเป็นผู้ว่ากรทมเขาก็เป็นลูกศิษย์นะฮะบวช ท, ที่วัดมาก็สอนหนังสือเขาเาก็เรียกท่านอาจารย์แล้วคุยเรื่องนี้คุยเรื่องชีวิตกัน แล้วแกก็ยกตัวอย่างตรงนี้มาแกยกตามลำดับนะฮะไม่เหมือนที่มาจำมาจำมันมันคล้ายๆคนละเรื่องกันพอแกยกขึ้นมาอ๋อนี่กรอนเดียวกันเนี่ยมันสัมผัสกันบทแรกก็บอกว่ายศไดล่าผ่าไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล ทรัพย์สทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟบทที่สองบอกว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสันไหเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเมื่อเจ้ามานี่คือความจริงแบบเดียวกับที่ท่านอเล็กซานเดอร์สั่งให้ทำ เป็นการสะท้อนความจริงเป็นความแหลมคมของคนเขียนมากจะเป็นใครก็ไม่รู้ก็แสดงความนับถือสำนึกคุณออกไปเคยมีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังแต่ว่าไม่มีคนยืนยันว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่ท่านชอบเข้าป่าจเจริญกรรมฐานเป็นพระวัสุทัเทป ร, รารามแล้ท่านก็เขียนเอาไว้ คนก็คงจะพระโบราณนะ น, นะก็จำต่อกันมาแต่ถือว่าเข้าถึงโลกเข้าถึงชีวิตที่ชัดเจนแจ่มใสามากประการต่อไปก็คือไม่ประมาทในการละวิ จ, ะะจีทุจริตปฏิวิจีทุจจริตก็คือพูดเท็จ คาดเคลื่อนจากสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาหรือว่าบางทีไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้แล้วก็ไปยืนยันว่าตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้อันนี้ถือว่าพูดเท็จขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็เท็จามเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็เท็จ วงการรักษาสัจจาวจา์ที่จริงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะคนมันอดที่จะใช้อารมณ์ตัวเองไม่ได้เวลาพูดถึงคนที่เราไม่ชอบก็จะพูดไปอีกอย่างหนึ่งคนชอบก็จะพูดไปอีกอย่างหนึ่งพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบก็ทําความดีมาเยอะสาเสียเทเสียเลย ดาศาีรษะเสียเทเสียหาดีไม่เจอเลยพอพูดถึงความชั่วเขานิดเดียวตันเองละเลงเสียเปื้นหมดเลยก็แปลกนะฮะคนทำบาปกันน่าเฉยตาเฉยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสื่อโทรทัศน์เนี่ยก็กดๆหมุนไปบางทีเจอสถานีหนึ่งแบบ ยังนึกสลดใจนะฮะคือเือกอยก็หยุดดูนะฮะหยุดหยุดดูบางทีก็หลายนาทีหรอกสองสามนาทีสี่ห้านาทีอเอ๊ะทำไมมันโกหกเหมือนกันหมดอ่ะแล้วก็มุ้งร้ายหมายขวัญไม่เคยมองเห็นความผิดของตัวเองเลยตัวเองทำชั่วมาเยอะเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมแต่ไม่เคยพูดถึงเลย แต่พูดถึงความชั่วของคนอื่นไม่เคยพูดถึงความดีเลยแจ่งชักหักกระดูกกันด้วยอะไรต่อะไรต่างๆคล้ายๆกับอาคาตพยาบาทจองเวงมาสักร้อยปีจะนึกว่าเอทํทำบาป ท, ทำกรรมไปทำไมบางทีก็เป็นโหร น, นะฮะมาทำนายทายทาักเรื่องเสียทั้งนั้นเมืก่อนนี่ก็ดูทำนายไปได้คนของปรากฏว่าเกิดจอดำเลย ก็แสดงว่าเครื่องเสียเทวดาฟ้าดินยังไม่เป็นใจเลยโกหกทนไม่ไหวเพราะว่าไปเปิดเผยลิขิตของสวรรค์เปิดเผยลิขิตของฟ้านะฮะตามความเชื่อของคนจีนแล้วก็ก็ลืมไปนะฮะคือกายธุจดิตเนี่ยมีข้อหนึ่งก็คือเรื่อง การลุกน้เมือดในทางเพศต่อผู้ครองของคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเป็นเอก ภ, ภาพภายในสังคมภายในครอบครัวภายในประเทศชาติแต่าวาสังคมเกิดความซัําสอนในเรื่องล่านี้โอ้ ม, มันป่วห น, น่าดูทีเดียวก็เรียกว่ายู่ร่วมกันยาก เพานันเาก็ไม่ประมาทในการที่จะล่าเรื่องเหล่านี้แล้วเมื่อล่าแล้วทำยังไงก็คือสารวมระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของบุคคลอื่นทรัพย์สินของบุคคลอื่นคู่ครองของบุคคลอื่นไม่ล่วงละเมิดแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยว เพราะว่าสิ่งที่เราได้รับจริงๆนั้นคือบาปที่จะติดตามเราไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปแล้วก็พราะใ้ประมาทในการเล่าปรจีทุจริตทุจริตนั้นก็มีสี่ประการแต่ว่าปริยายที่ทรงแสดงที่จริงแสดงไว้เยอะปริยายเยอะเลยเห็นไชุดหนึ่งในเอภัยราช ก, กุมารสุ แสดงวาจาไว้หกประเภทแต่ที่ควรพูดนั้นมีอยู่สองประเภทคือข้อที่สามเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์ผู้ฟังไม่ชอบใจแต่ดูกาลเทศะเห็นว่ามันควรจะพูดก็พูดได้เราพูดด้วยจิตคิดนอนุเคราะห์ต่อเขา อย่างหนึ่งก็คือเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์คนฟังชอบใจก็ดูกาลเทศะที่จะพูดนอกนั้นถือว่าเป็นทุจริตบางครั้งก็อาจจะเรียกรวมๆ ว, ว่าเมตตาวาจาหรือว่าสัจจะวาจาก็เรียกได้บ้างแต่ก็สรุปแล้วมันก็อยู่ในกรอบของสุจริตทุจริตนี่แหละก็คืองดเว้นจากการยุยงปลุก ป, ปั่นให้เกิดความแตกแยก ระหว่างคนสองคนขึ้นไปจนถึงก็คนเป็นจำนวนมากเห็นพวกปรุกระดมทั้งหลายเนี่ยมันคึกขนองนะฮะรู้สึกว่าคึกขนองที่ได้ทำอย่างนั้นคล้ายๆก็สะใจได้เกินจะทำไปทำไมบาปกรรมเปล่าๆแ ล, เ, ลเรียกบาปบาปากพูดก็เป็นบาปแล้วทำทำไม เกิดมาตั้งทีควรเอาดีให้ได้อย่าคิดเอาชั่วเลยเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่สุขสบายเนี่ยก็แสดงว่าบาปกรรมมันอยู่เยอะเลืองดเว้นจากการพูดคำด่าดทั้งหลายคำหยาบคายทั้งหลายคำ ด, าด่าทอทั้งหลาย ก็เว้นจากการพูดเพื่อเจอเรื่องไรายสาระท้าความเราจะเจอซ้ำๆอย่างนี้นะแต่ปัญหาว่าปฏิบัติได้หรือเปล่าเราจำได้เขาเล่าถึงครูสอนหนังสือสอนเด็กให้ท่องอธิษฐ์ศีลทุกสมุทัยนิโรธมาก เราก็รู้เราก็เห็นน่ะดีศัก์ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าแกบอกแกก็เหมือนกับพุทธเจ้าเด็กมันก็จําได้่ครูก็จําได้แต่เราเข้าถึงจริงหรือเปล่าเราเขามารู้เห็นในที่นี้มันรู้เห็นด้วยญาณไม่ใช่รู้เห็นด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการจํามันรู้เห็นด้วยญาณแล้วก็ดับสมุทัยได้นะ ก็มารู้เห็นอริยสัจสี่นี่คือรู้เห็นแล้วก็ดับสมุทัยได้ดับทุกข์ได้แล้วก็ปฏิบัติได้สมบูรณ์ในอริยมรรคแล้วเข้าถึงนิโรธจึงเรียกว่ารู้เห็นในชายพออ่านจําได้ก็เป็นคําไม่กี่คําคำสี่คาแต่นั้นเองก็แน่นอนไปจำได้เราจะเห็นว่าวาจีทุจริตเนี่ยเอาข้อจริงมันก็มีอยู่เกลือ แต่ทางี้ก็สอนสํำอย่างเงี้ยสี่คำท่าเนี้ยสองพันกว่าปีลวเกือบสามพันปีละอีกสองปีก็สามพันปีลวปีนี้ก็สองพันห้าร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าสิบห้าบวกกับสี่สิบห้าก็เป็นหนึ่งร้อยพอดี พระพุทธศาสนานี่เกิดก่อนพศนะฮะเกิดก่อนพศสอี่อสิบห้าปีพศเรานับหลังพระพุทธเจ้านี่ผ่านปีหนึ่งพออายุประสาสนามจีนมันหายไปตั้งหกสิบสี่สิบหกปีสี่สิบห้าปีสี่สิบหกปีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเวจีทุจริตมันก็มีทอนเนีย แต่ว่าเราก็งดเว้นกันไม่ได้อย่างคงเป็นปัญหาอยู่เรื่องมันซ้ำซำากๆอ่ะแต่ว่ายากต่อการแก้ไขยากต่อการบรรเทายากต่อการให้สงบระไรเงี้ยและงดเว้นจากการพูดเรลยวไหลเพื่อเจอเรล่ยวไหลไร้ราสาระต่างๆ่อมาพูดอะไร พูดว่าเยสุจริตสุจริตก็พูดดีพูดงามพูดง่ายสมาพุทธดีนี่พูดง่ายคือพูดตามประสบการณ์ตัวเองที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รู้มาแต่ต้องมีประโยชน์คือถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดไม่เสริมความ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่อำาจความทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กก็เราเห็นมาอย่างไงก็พูดไปอย่างนั้นถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ทราบไม่รู้ก็ปฏิเสธไปมันเรื่องอะไรที่เราจะรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างใกล้ๆกับสมมติว่าเขาชุมนุมกันอยู่ที่ราดดำเนินที่ท้องสนามหลวงเนี่ย เรถ่ายทอดออกโทรทัศน์เราต้องการรู้รายละเอียดล้วก็โทรศัพท์ไปถามคนที่อยู่ในที่ชุมนุมูนนั้นเห็นน้อยกว่าเราเห็นได้อีกเขาตอบไม่ได้หรอกเราก็ตอบได้เฉพาะจุดที่เขายืนอยู่แคบแคกลกายตัวเขาคนเขาก็ต้องไม่บอกถ้าบอกมันก็ยกเมฆ แล้ว เ, เขาไม่เห็นแล้วก็พูดด้วยเมตตาจิตคือส่งเสริมไม่เกิดสามะคีประสานให้เกิดสามะคีกระชับให้เกิดสามะคีมีความหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นและเจราจากันโดยถ้อยคําที่ไปราออ่อนหวานสบายหูสบายใจของผู้ฟัง แล้วก็คำเหล่านั้นต้องมีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ไม่พูดบางทีไม่พูดเสียดายก็ดีบางทีถ้าไม่พูดก็เป็นั่งเสียดายก็แล้วแต่เรื่องวินิจฉัยกันไปแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งคือไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องความเห็นผิดที่เป็นเรื่องใหญ่มีอยู่สิบเรื่อง ระดับศีลธรรมจันญานะฮะระดับศีลธรรมจันญานมีอยู่สิบเรื่องคือเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการทาดีทาชั่วของคนเราไม่มีผลสาธิตตายแล้วเกิดไม่มีท่านี่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลหรือรู้แจ้งตามไม่มีเห็นผิดอย่างแรง ใครมีความเห็นอย่างนี้ส่งแสดงว่าเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิจิตคิดว่าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นมิจฉาสติไปพูดก็เป็นมิจฉาวาจาไปสอนคนอื่นก็เป็นการแนะนําคนออกนอกรูกนอกทางมีวาจาเป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันในโลกจะประสบบาปกรรมต่างๆเปน็นอันมาก ทีนี้ที่เห็นชอบในส่วนของสังสารวัตรนะฮะในส่วนของสังสารวัตรกรรมกับการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเห็นว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆมีผลแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีการกระทําของเราจะดีก็ตามชั่วก็ตามนั้นมีผลสติตายแล้วเกิดนั้นต้องมี ถ้าเขายังมีกิเลสอยู่แล้วท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้แจ้งตามนั้นมีอยู่ก็รวมแล้วก็เป็นควายที่เป็นสมาธิินั้นสิบข้อเป็นวิชาทิติก็สิบข้อแต่ว่าสังคมเราเองมีวิชาธิติอยู่เยอะห ล, ยหลายระดับเยอะมากบางครั้งมันเป็นเรื่องของอารมณ์ตัวเอง คืลองสังเกตอย่างหนึ่งว่าคนมองไม่เป็นระบบมองไม่เป็นระบบว่าไอ้นี้มันเกิดอย่างนี้ก่อนแเกิดอย่างนี้ต่อมาเป็นอย่างนี้ต่อมาเป็นอย่างนี้ต่อมาเป็นอย่างนี้ต่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมันมาเยอะเลยมันมีอดีตของมันมันมีอดีตของมันทีนี้พอเรามองปัจจุบันเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งก็สมมติว่าโยนฆ่าคนตายแล้วออกบวชปฏิบัติกรรมฐานเคร่งครัดเนี่ย ก็ได้นอนถ้ า, ร, ารู้ในขณนะนั้นท่านก็คือพระปฏิบัติกรรมฐานที่เคร่งครัดมากน่าเคารพ น, นับถมากแต่ถ้าตำรวจรู้ในตำรวจเขาก็ไม่ยอมเขาก็ต้องจับเพราะว่าเธอฆ่าคนตายแล้วก็หนีมาเห็นไหมปรากฏว่าที่เขาจับเนี่ยเพราะอาดีตไม่ใช่ปรับปรับจับที่ปัจจุบันปัจจุบันไม่มีเหตุให้จับ พอท่านเคร่งเสียงเคร่งทำเคร่งวินัยมากจเจริญกรรมฐานได้ดีมีทุกสิทธิ์ทุกหาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนสิบมาจำนวนมากไม่มีเหตุให้จับได้แต่คนเราไม่ได้เกิดมาวันเดียวนี่นะมันมีอดีตเข้ามาเนีเขาจับเพราะฆ่าคนตายไม่ใช่เพราะพระฆ่าคนตาย แต่เพราะชาวบ้านคนหนึ่งฆ่าคนตายแล้วก็หนีมาบวชเป็นพระรูปนั้นทีนี้ถ้าเราแยกเป็นแยกเป็นกรณีกรณีไปตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทําที่ควรตำหนิยกจ้องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทําที่ควรยกจ่องอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ชอบหรือจะไปขอร้องขาอบอกแหม่ท่านบวชมาแล้วยังไงก็ปล่อยท่านไปเถอะอั น, นี้ไม่ได้ เนะว้นไว้แต่รัฐจะออกพระราชบัญญัติกฎหมายเดี๋ยวโทษศกกรรมให้อะไรแต่อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันแต่หน้าที่ของตำรวจนั้นเมื่อเจอผู้ร้ายเขาก็ต้องจับนั่นคือเราต้องแยกกันได้ไม่ได้ใช้เหตุผลส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายบทบัญญัติของกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี